ใ้มันอยูก่อนพระสุดท้ายคองเดือนแล้วเดือนนี้ก็ลำบากนิดหนึง่งไปไหนเจอแต่สองขาวจนหนีไมคน้นจนถึงต้นเดือนหนาที่หมดก็เดียวเป็นโอกาสเรียวการ ล, ละทางแค่เดินเดียว พูดถึงทานการให้บุคคลหรือบุตศสกุลพระพุทธเจ้ายกย่องว่าเป็นผู้เลิศในกิตติคุะไม่ใช่เราก็พูดถึงแล้วมันก็คือท่านอมาตถิธิกะเศรีเดิมชื่อสุทัตตะ คุณพอ่อใหยื้อสุวรรนะใจดีเป็นคนไม่ตั ง, งค์ณูยังไงอะเดี๋ยพอเสียถีแต่ทสำคัญคือมนันไม่ได้มีตังค์เดียวโดยส่วนตัวท่านเป็นคนที่ชอบทําบุญถ้าท่านเขาเป็นคนสร้างวัดเชตวันเชตวัน ไม่ใช่ชื่อของท่านแต่เป็นชื่อเจ้าของที่รูเจ้าเชิดสุตตะมานพใช้ตังไปสิบแปดโกวดโกรดหนึ่งก็สิบล้านก็ร้อยแปดสิบล้านก็สร้างวัดอีกสิบแปด ร้อยแปดพันล้านทั้งหมดสามรอยหกสิบล้านเงินสามร้อยหกสิล้านสมัยเมื่อสองพันกว่าปีแล้วเราคิดดูมีวนหคอตีไม่ถูกแล้วท่านสุรัตตานี่เป็นคนที่ชอบพึ่งพานเริ่มต้นอย่าตั้งโรงทาน หรบคนที่ไม่มีจะอยู่จะกินคนลำบากอยากทต้งตั้งล ง, งทานประจำรัฐบาลที่บาลก็ทันก็ตั้งอาสนะไว้ตลอดเลี้ยงภาษาพระเาเรียกว่าอังคาดอังคาดก็เลี้ยงพระเขาเรียวอังคาดไว้ตลอดในยผู้เจ้าเป็นประมุก ดัที่สมคั น, นตัวท่านเองเป็นอวสกตัวอย่างตัวอย่างก็คือเป็นคนที่ยึดมั่นในภาระตันตรายยึดมั่นในสินยึดมั่นในตัวองยังไม่พอยังชวนคาถาบริวารรักษาสินสินธรรมดาสินอุบสถเป็นปกติหนึ่ง ผู้นี้กับคนสกษารสิ่งเป็นเนตจนวาระสุดท้ายตั้งทางท่านท่านอาณาตาปิเนกาเจตีคือชื่อใหม่ที่ตั้งทางแปลว่าเจตีผู้มีก่อนเขาเพื่อปุคคลผู้ไม่มีที่พึ่งแก่งทางนั่นเองสุดท้ายปลายทาง ครั้งสุดท้ายก่อนที่ท่านจะสิน้นท่านอนาถนในท่านสดาบันอือเราทราบไว้ด้วยแใช้ชีวิตแต่ทั้งแท่านเป็นโสดาบันก่อนอาจารยฝังทางพระพุทธเจ้าได้โสดาบันวลาสุดท้ายป่วยไม่สบางความทราบถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เรียกท่านสหายบุตร ไปก็เป็นตัวแทนแสดงให้เกียดมากคนที่แสดง ท, ทําแทนพระพุทธเจา้าแลา้วหอมผ้าแทนพระพุทธเจา้าไม่ธรรมดาก็ราตสุดท้ายก็ต้องพุทธจ้าเราทราบ ว, ว่าอนัตถ h เนี่ยทำไมถึงทราบเพราะว่าอนัต tha ินิกาเนียท่านไปวัดทุกวัน วันละสองครั้งสามครั้งอย่างน้อยที่สุดก็สองครั้งพระท่านท่า น, ท, านท่านประจําก็คือให้ทางทั้งชาวบ้านทั่วไปแล้วก็ชาวพระคือวัดไปก่อนพระทหารถวายพระทหารไปหลังพระทหารถวายยาไปตอนเย็นถวายน้าปานเนาะเป็นอย่างนี้ประจำแล้วไปอยู่ที่ไหนก็นวัดใครวัดท่านไปนางวิสาขาก็ แนวสาขาก็ดูแลรักษาเพราะอาถาก็เช่นเดียวกันไปวัดทุกวันชามาก็ก่อนฉันก็ถวายยาคูยาคูในใะจะนมาเป็นข้าวต้มอ่อนๆอม่ใช่ยาคูนมเปรี้ยวจะ่เราเข้าใจเป็นข้าวต้มอ่อนๆ ตัวไอ้ก็ทานประาารรจําหลังจากนั้นก็ถวายยาบริษัท์วายยาในที่มาถึงน้ำผึ้งน้ํามันน้ําอ้อยอย่างนี้เป็นต้นก็ถือว่าฉันเป็นยาแล้วก็โพนี้อยู่ได้เจ็ดวันแล้วก็ห้ามเป็นเป็นอาหารในที่ในของเรา้าผสมเป็นอาหารนาทําทเป็นอาหารนเนตเอกเือรอะไรก็แล้ ว, แ, ล ว, แ, ลวแต่ มัน จ, จะแยกออกนี่คือเป่นในของข่างนะละเอียดไปตอนเย็นก็ถไายน้าปาน ะ, ะนะน้ำพัาธิภากควรฉันควรดื่มพึ่งดื่ ม, มผลไม้คืนน้ำผลไม้ขันถ้าเป็นภาษาเรางนีก็มีนมี 4-5 ชนิดในสมัยนั้นคือมะม่งวงชับผู จะเรียกว่าไม่วาก็ได้ไม่ว า, ไ, ไ, วาไปเอาชมพูชมพูน้ําำันอื่นที่เป็นเช่นลากบัวพยำ้ำว่าน้ําลากบัวไม่ใช่ลากบัวทุกวันเราเลยเติดบโนถึงลากบัวเป็นตัวบัวใส่บัวไปแล้วมาถึงน้ําถึงว่าปานะไปว่าน้ำพึ่งดื่มเล่นที่เป็นน้ํา <c oughs> แล้วก็กล้วยกล้วยก็ทำน้ำนําปานะได้แต่มันยากขึ้น แลกรองทุกอย่างที่ทาพูดน้องทุกงหื่องคือต้องกรองจะเรียว่า น, น้ำปา น, นะเป็นน้ําที่ควรดื่มอานนี้หมายถึงตอนเย็นทั้นก็จะไปอย่างนี้ทุกวันจนวันหนึ่งท่านอนาถามันหายไม่เมาความทราบถึงพระพุทธเจ้าว่วาท่านอนาถาป่วยก็แสดงว่าน่าจะพอสมควรละ ก็เลยเรียกท่นสัตบุธรมาเพราะนั้นท่นสัตยบุตรหนึ่งเป็นผู้มีสถิปัญญาดักเดินเลิดในทางปัญญาสองคนที่แสดงธําได้ละเอียดอ่อน ท่าพูดง่ายก็แทนบริเจ้าได้โดยสติปัญญาขออนุมิติสติปัญญาดีอธิบายขยายความชัดเจนท่านสรีรุฒก็หนึ่งในนั้นคือพระองค์ธรรมกะกติเพราะนั้นรวมทั้งหมดจนสุดท้ายภายหลังท่านจึงได้นามเองนามนึ่งว่าธรรมะเสนาบดีถ้าเป็นภาษาลองง่ายคือไม่ทับรม ในทัพในทางธรรมแล้วก็ท่านมีชีวิตอยู่หลังผู้เจ้ า, ราพระานิพพานท่านจันิพพานหลังพระเจ้าตอนหลังก็ไปโปรดแสดงทางโปรดโยมแม่พนางสารีก็นางสารีนี่เป็นมิจฉาที่ฐิในเขาวัดเขาวา่าจนสุท้ายปลายทางจนไปโปรดโยมแม่ได้สดาบ ถี่ว่าประสบความสำเร็จย้นกลับไปถึงท่านไปโปรดอนาถตาปณิกะเสร็จโดยการสั่งของพระพุทธเจ้าทำไมต้องเลือกภาษาริบุตรความเจ็บป่วยมันก็คือเวทนานั่นแหละเวทนาจะมากกันน้อยแรงกลาง้า ทมัมที่เร่อสระบุตกับเพาะภาษาสรีบุ ต, บบตเนี่ยท่านสำเร็จได้เพราะเวทนาปริพัชสุดังนั้นท่านยังเข้าใจโดยความโดยสรุปโดยละเอียดแต่มันแค่ฟังทำอย่างเดียวก็าสำเร็จได้เลยอจด้มีความูลพืนพน้นฐานพูกนักเรียนิมัยใใจคอดังเดิมพื้นฐาน ผู้ใหญ่จึงมอบภาระเพื่อไปแสดงธรรมแก่อาณาถาปิเนกะเศรษฐีหรือว่าสุธธาดุต่างบัณฑิตจะกถาบัณฑิในขระานนั้นก็เป็นกำลังขนาดโสดาบันโสดาบันก็ถือว่าเป็นบันไดขั้นแรก เพระาะก่อนหนั้นพื้นฐานก็ท่านก็บ้านคงในพระธ ต, ตรมจใจอยู่แล้วอันนี้คือพื้นฐานก็้นแรกสองคือสิงเราจะเห็นว่านี่คือสำคัญพื้นฐานก็มีหขั้นแรกมีความมั่นคงนเรียวสักยะติถิวิจิกิชฌาสิลปจากปรมาสักยะติถิเราต้ อ, าาอตงว่าเป็นเรื่องหนึ่งสักยะติถิวิจิคิคชฌาอันนคือความลังเล แต่ใจใจท่านันนคงในพระธรามไจก็มีเชื่อต่อประมาทคือนับถืออื่นๆนอกแก่พระธรรมใจจากความเชื่อจากการได้ยินในฟังต่อๆกันมาก็ยังนิ่งก็เหลือแต่สักยะที่ถือก็คือขันห่ารพรางานเพราะนั้นตัวที่พระอริบทเน้นก็คือเวทนาเพราะอะไรเพราะว่าขันห้า คือรูปเวทนาซั่งยาวนั่ ง, น ง, นงนขนอย่างกันห้าตัวที่สองเพืงบอกให้รู้ว่าเวทนาถ้าไม่มีรูปป่วยไงก็ไม่มีความรูปร่างเวทนาภาษาเราง่ายๆคือความรู้สึกถ้าเป็นเรา ง, ง่ายๆอยน่นคือความรู้สึกความมีรูปอันนี้ความรู้สึกชอบไม่ชอบ หรืออื่นๆที่ตามมามันก็ไม่มีัน้นที่มันมีเวทนานะก็เพราะว่ารูปก็คือรูปร่างกายกันอันนี้ไม่นั้นเราจึงเรียกว่าความรู้สึกความรู้สึกอันนี้สำคัญเพราะว่ามนุษย์หรือคนเรานะ่ะมักจะตัดสินใจตามความรู้สึกของตนเอง แต่ผู้อ่ายงก็เวทนานั้วแหละแต่เราไม่ได้เอาเวทนาเช่นคําว่าชอบเห็นแล้วชอบก็ตัดสินใจว่าชอบเห็นแล้วไม่ชอบตัดสินใจไม่ชอบนั่นจริงๆแล้วมันคือความรู้สึกเป็นพื้นฐา น, นใก น, น, า ก, ก, นการตัดสินใจครั้นทศบุตรซีเอนะครับเวทนาตามที่เธอเข้าใจว่าจะเป็นเรื่องเจ็ปวดก็ตามอะไงที่เราเรียกว่าเวทนาน แต่ว่าความเข้าใจของเราเวทนาในตอนนี้เราเข้าใจว่าทุกขเวทนาอย่างเดียวเอาจึงไม่เข้าใจคำว่าศก ห, ห, หรือหรือเฉยๆคำว่าทุกขเวทนาเราเป็นมุ่งจต่งมันคำว่าทุกขแปลวอยู่ยากอยู่ลําบากทนอยู่ไม่ได้ความหมายก็มันคือทนอยู่ไม่ได้คือเป็นอย่างนั้นตลอดไลย ม, มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นตลอดพูดง่ายๆแต่เราเ น, นีมีคําว่าทุกข ประจั น, นสายีบุก็พยายามที่อ้ิบยถึงสิ่งเหล่านี้ขพอถึงแม้สุดรบันมันก็ได้แค่สามอย่างบันไดขั้นเลยมันไม่สามารถเด้จัลละตอนที่รู ป, ปรูปนี้จะนี้มุ่งไปที่ต่อไปสัมยศิษย์ก็คือร่างกายเราเนี่ยที่มันประกอบจากเวทนาสัญญาณการเป็นอย่างเวทนาอะไรทำให้เกิดเวทนา ตัวเตะจเกิดเวท น, นาก็คือตัวตัวตวหนหงเวทนาไปยะตนาตนาไปเยาวภวารมามความรู้สึกนั้นเกิดความอยากในสิน่งเหลนั้นเมื่อความอยากแล้วมันไม่ได้มันไม่มีอย่างที่เป็นหรือได้แต่มันไม่ได้อยู่อย่างนั้นตลอดคือเป็นแต่เฉพาะว่าทุค่ะดูความไม่สบายใจเลยก็เพราะอยากให้มันอยู่อย่างนั้นอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอยากให้มันมีอย่างนั้น จึงเรียกว่าอย่ากเมื่ออยากที่อยากพ่ออะไรกว่ายึดคาว่าอยากมันจะตามเลยยึดเสมถ้าอยากเราเดีวมายึดมันก็ปล่อยมันก็มันก็แล้วกันไปถ้าอยากด้วยยึดด้วยในอะุาปาทานยึดในอะไรก่อนใด้ขังนี่แล้วได้ขันแค่ไหนคือรูปร่างตาบยังไงเพราะมันเป็นอยู่ เพราะรูปแรกมันไม่เป็นที่มาความพอใจไม่พอใจหรือเป็นชีวอยู่เป็นที่อาศัยของเวทนาพวกนี้ห้าเวทนาเป็นผู้อาศัยแต่ตัวเนี้ตัวต้นโตจริงๆคือตัวนี้เพราะฉนั้นถ้าเราไม่สามารถที่จะทําลายบ้านคือตัวบ้านอันนี้โครงสร้างอันนี้ได้เราก็ยังไม่เข้าใจสุดท้ายก็เหมารวมทั้งหมดเหมือนเรากับบ้านเรา เราแยกไม่ออกจริงๆเราก็แยกได้บ้านคือบ้านเราคือเราเราไม่ถึงคนที่เข้าออกก็ออกบ้านแต่มันไม่ทีมันไม่บ่อยเท่ากับจิตร่างกายคือบ้านจิตก็คือคนเราจิตเนีมันออกไปเที่ยวนอกบ้านประจํามันไม่ค่อยได้อยู่กับบ้านพอตาเห็นรูปกระทบมันไปอยู่ข้างนอกแล้ว โอฟังเสียงเคยเอยตยะข้างนอกข้างในเชื่อมอกันติดต่อกันทำและพิสูจกันมันก็จะอยู่ข้างนอกตลอดมันไม่อยู่กับตัวเพราะฉะนั้นผู้เชงญแจเขาว่าให้เราเรอรึกเกินกนึกถึงทิ้งแจกว่าสติสติคือการรึกนึกถึงตัวตัวเราทีนี้เอาเขาเป็นตัวก่อนแล้วคําว่าตัวจริงๆมันคืออะไรที่เรียกว่าตัวตรงไหนแต่คําว่าตัวตัว ก็จะตามว่าเราเขาเพราะมันมีเรามันมีเขาก็คือเจ้าของนั่นเองกับฐานต่อไปเจ้าของอันนี้ยถ้าเป็นเจ้าของเราสั่งได้ไหมบอกได้ไหมมันก็ไม่ได้ไม่มีใครบังคับบัญชามันได้ไม่มีใครเป็นเจ้าของแต่เราคิดว่าเราคือเจ้าของ ตาเราหูเราจมวกเร า, เราปากเราแขนขาตาจมทั้งหมดของเรานี่คือกลับมาที่เดิมเพราะนั้นข้อความที่เราไม่เข้าใจขันหรอกนี่คำว่าเราเนี่ยชอุปาภองเกิดจากการยึดนั่นแหละยึดเกิดจากการอยากทีนี้ถ้ารวบร่างกายอันนี้อิตะนะภายนอกภายในไม่ทํางานกันไม่เชื่อมต่อเช่นเวลาเรานอนหลับทั่งเป็นต้นมันอยู่ครบหมด คือร่างกายคือเป็นรูปเป็นร่างหมดแต่ความรู้สึกในขนาดนั้นมันไม่ได้อยู่ที่กลับมันอยู่ในข้างในคือรูปละเอียดมันไม่ได้อยู่ที่รูปหยาบอันนี้หรือถ้าจะถามเวทนาก็าจะเห็นชัดเจนถ้าจิตไม่เป็นสมาธิก็จะมองไม่เห็นสิ่งแบบนี้ในเบื้องต้นคือว่ามองไม่เห็นในทัวนี้หมายความว่าไม่สามารถที่จะเข้าใจหรือแยกบอกว่ากายนอกกายในเป็นอย่างไร จิตกับกายคือรูปกับนามเป็นอย่างไรมันอยู่ด้ยวยกันมันทำหน้าที่กันอย่างไรจะไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นตอนเรานอนหลับกี่ชั่วโมงตื่นขึ้นมาตื่นก็คือรู้ตัวหก็มีสติรู้ตัวคือรู้ตัวเราเนี่ยมันสามารถตาทำหน้าที่ได้หูทำหนาที่ได้ปากทำหน้าที่ไ ด, ได้ซึ่งก่อนหน้านั้นมันทำหน้าที่ไม่ได้เพราะว่าสติ มันไม่อยู่กับตัวแต่มันหลบอยู่ข้างในร่างกาวคือรูปตนี้มันได้พักมันได้พอนแล้วมันก็ทําหน้าที่ของมันส่วนที่มันสึกหรอไปใช้ไปในเวลามันก็ซ่อมแซมอัตโรมัตินระบบร่างกายมหัศเสกจัสมองที่เคยทํางานหนักมันก็พักมันก็ได้หยุดได้ชั่วคราวมันก็ยืดอายุการใช้งานเหมือนรถยนต์ ถ้าเราไม่สตาร์ทเน่อะไรมันก็อยู่มันได้ร่างกายจิตใจเราวเช่นเดียวกันทีนี้ตรงการข้ามถ้าร่างกายเราไม่ได้พักเลยท่างกายไม่ตึงไม่ตึงขั้งนอกและข้างในจิตใจมันไปทั้งโอนไม่หลับไม่นอนคนแล้วก็ไม่สามารถจะควบคุมได้หรือแต่คนไม่หลับไม่นอนแต่ไม่ีสติคนละอย่างไม่หลับไม่นอนแต่ไม่มีสติอันนีก็คนละอย่างอีก หลัการปฏิบัติเราจะเห็นข้อแตกต่างเหล่านี้อย่างชัดเจนจนสุดท้ายคืจนิตมันลงจิตมันสงบมันอยู่ข้างในแต่ตอนี้พอ ร, รู้สึกตัวคือมันถอนออกมานั่นเองมันจะมีความรู้ด้วยอัตโนมัติว่าอ๋อจิตเป็นอย่งนกายเป็นอย่างนี้เพราะก่อนนั้ น, น่ะร่างกายมันก็เป็นหน้าที่ปกติเขาเย็นด้านอ่อนแข็งเจ็บให้ได้ป่วย ร้อนเกือบสาม ส, สิบพิศิษฐองศาข้างนอกแต่จิตมันอยู่ข้างในมันไม่รับรู้อะไรข้างนอกต่อไข่เป็นร้อยเปเซ็นมันก็ไม่ไรับรู้นี่คือระหว่างกายกับใจหรือว่าจิตมันทัน้าที่ของมันอย่างนี้นันคําว่าเวทนาข้างนอกกับเวทนาข้างในมันจะไม่เหมือนกันเวทนาข้างในแค่เพื่อเสวยคือความรู้สึก ปัญหาอีมิติหนึ่งแด็กก็ไปจึงเป็นความรู้สึกก็ไปสเสวยอรมณ์อันนี้เอาตรงนี้ก่อนมองย้อนกลับไปที่ท่านนาถาพิณกข์มันคือท่านอนาคาพิณิกข์เศรษฐีทําไมจึงได้รับการพูดให้แต่งตั้งรัชกาลปนาอิตาตะคะให้เป็นทานบนดีวิบูลเลอร์ต้นกนารประหยัดทางเพราะในสมัยพุทธกาล ท่านอนตะะฤทธิสมัยพระพุทเจ้าพนาวาา่าปทุมพุทธละต้องการทำบุญให้ทานโดยปกติวันหนึ่งก็ได้ยินพระพุทธเจ้าพนาว่าปทุมุตธละตั้งเอตตะทะกกับอุบาสกคนหนึ่งว่าเป็นเลิศในทางให้ทานนฐานะอดีตก็อยากได้อย่างนั้นบ้าง พยายามดินด้นโดน ข, ขนก่อยทำพอนทานทานทานทานตะลอดเร็มเดอนเร็มปีจากนั้นตึงตั้งสัจจะอธิษฐานต่อน้าท่านพระพุกธมุตระขุจาพระองค์นั้นว่าข้าพเจ้าแสด ง, งกำลังจะชื่อเห็นว่ า, าก่อนที่จะอธิษฐานอะไรก็ตามเราต้องทำก่อนนะ เมื่อนาฬิกาเป็นกะเวทีก็จะอธิษฐานอย่างนี้ท่านก็ต้องทำก่อนคือบรรพารณีมนเป็นมารณีก่อนแล้วขออธิษฐานพระพุทธเจ้าพนมาพทธุมตระทะท่านก็พยากรณ์ เ, เธอควจะได้รับจากพระพเจ้าในอนาคตชื่อว่าโคตมะก็คือพระพเจ้าเรานกลุ่มหลังจากนั้น อาณาถาพิธกะติติท่องเที่ยวอยู่ในวัตฏสงสารอันนี้พวกไงเกิดและตายตา ย, ตายแล้ว เ, เกิดเป็นแสนกลับไม่รู้จะนับเป็นปียงแต่ละทุกครั้งที่เกิดตายจะไม่ไปต่ำกกว่าเทวดาคือสวรรค์แล้วก็โลกมนุษย์จะไม่ตกไปอบายคือนรกเปรต อาสุรกายสัตว์เดิราชาจะไม่เป็นเพราะอะไรเพราะว่าท่านมั่นคงในป ร, รัตตนะใจอยู่แล้วท่านรักษาสิ่มาตลอดอยู่แล้วเนี่ยนี่คืออเนสงของการกเข้าถึงป ร, รัตตนะใจอเนสงการรักษาสิ่งเป็นเนี้เรายังไม่หลุดไม่พ้นมันก็มีอเนสงมหาศาลอย่างน้อยก็ไม่ต่ำไปกว่าคนกว่ามนุษย์ ก็อไม่เป็นสัตว์โดยัานนี่คุณของศินนะคุณของพระตําแใจก็เช่นเดียวกันเจอศาสนาตลอดเจอพระพุทธเจ้ามตาลอดจนมาประสบความสำเร็จในพระุทธเจ้าของเราคือท่านสมณะโคดมของเราคือพระพุทธเจ้าเนี่ยคเคยอจะใช้ที่ได้ทั้งเพราะฉะนั้นคนคนหนึ่งเนี่ยกว่า จะมาเป็นบารมีเอาแค่นี้แค่เดียวว่าก็เป็นร้อยเป็นพันนะเป็นกับนะปีนับเป็นปีไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นการได้รับการแต่งตั้งอย่างนี้มันมีที่มามีที่ไปแล้วกเกี่ยวข้องกันไปตลอดนี้แสดงให้เราเห็นว่าตัวเราเองคือดวงจิตของเราทุกคนมันเวียนว่ายอยู่ในวัฏฏสงสารอันนี้แต่ประเด็นก็คือ ถ้าไม่เหมือนท่านอนาาัตตาปิณิกะคือเราไม่เข้าถึงพระรตนาใจไม่มั่นคงในพระรตนาใจต้องย้ําตรงนี้นะแต่ตัวเองไม่มีศีลส่วนธรรมไม่ว่ากันแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นมันเสียความเป็นมนุษย์ไม่รู้กี่ชาติเรื่องคาเป็นคนอาจจะไม่ได้เป็นคนกลัวจะกลับมาเป็นคนอีกก็มไม่ได้ง่ายเลยนถ้าต่ำกว่าคนนั้นเองา อันนั้นคือความสำคัญเพรานดังที่เราทำอยู่ทุกวนันนี้จงภูมิใจว่าเราทำมั่นคงในพระรธรรมใจคือรานึกนึกคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระอริยสงส่วนศีล น, นั้นในภาคปฏิบัติไม่ต้องไปกังวลหน่อยเหมือนตอนนี้ช่วงเช้าเราไม่ได้มารับศีลตอนนี้มันเป็นศีลทันทีในภาคปฏิบัติส่วนภาคปริยัตก็ ขอเอาบ้างเจตนาไปรากบ้างแต่ในทางปฏิบัติเราไม่ต้องใดๆเล ย, เลยมันเป็นเสยนทันทีเลยเพราะนั้นถ้าเรามันคัอย่างนี้ตลอดนี่เราจะไม่ต่ำไปกว่านี้ถึงไมเพื่อนไ่าแต่เกิดกะตามยกเว้ยนยกเว้นถ้าเราได้บันไดขั้นแรกเหมือนอนัตถะพิธิกาเจธีนั้นการเดือนวหวได้เกิดกลับไปกลั บ, บเราก็ไม่เกินเจ็ดชาติไม่เกินเจ็ดครั้ง กลับไปเป็นเทวดาแล้วกลับเปเป็นคนอันเหวิชาติหนึ่งเอกพิสีรกวลังกุละกกลับไปกลับมาด้หน่อยอเป็นสองรัสาครั้สติกาตุปรรมอันนี้เจ็ดกลับมาเจ็ดครั้งแต่ทุกครั้งเป็นคนเจอพระพุทธศาสนาทุกครั้งจะมั่นคงในพรตัตตนะใจและร่างกายจิตใจสมบูรณ์สติปัญญาพร้อม นี่คือความพร้อมนี่คือโสดาบันข้อเป็นโซดาบันเพราะฉะนั้นข้อเป็นโซดาบันจะมีไม่ใช่พื้นฐานเฉพาะวันนี้วั น, นเดียวมันมีที่มาที่ไปเพราะฉะนั้นพวกเราที่ทําอยู่เนี่ยมันไม่สูญเปล่าแ น, น่นอนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนก็ตามถ้าอะไรก็ตามจะเป็นมากเป็นน้อยอย่างน้อยที่สุดก็พื้นฐานบารมีของพวกเราเองการจงกลุมใจ แล้วก็จงระลึกนึกถึงเป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังคารนุสติประจําหนึ่งเนืองเวลาจุดสุดท้ายถ้าอยู่ในสินริมันไม่ไปตกต่ําแน่นอนคุณไงก็ไม่แตะบางเ้าเรียกว่าปิดอบายโดยยิ่งถ้าเราได้บันไดขั้นแรกแล้วปิดอบายถาวนแน่อนอนนี่คือหลักประกัน ด้า น, นการที่เราศึกษาเรียนรู้ทัานห้าของเราอันนี้ให้เข้าใจเบื้องต้นนี่ยมแต่เป็นภาคปริยัติก็ต่างเราจะเข้าใจขั้นตอนกระบวนการว่ารูปนี่คือรูปร่างอย่างไม่ต้องพูดถึงสิ่ันออศัยอยู่เอาแค่จำแค่นี้คือรูปร่างสองความรู้สึกในตัวเรานั่น ความรู้สึกสามมัคือความจําความคิดความรู้คือการรับรู้คำงความรู้มีแค่นี้แหละตรงนี้ความรู้สึกนี้ความคิดก็ปรุงแต่งความจําความรับรู้ถ้าไม่มีรูปแค่อย่างเดียวคือร่างกายสังขารสี่ตัวมันก็ทําอะไรไม่ได้ พระนตัวสาคัญสุดก็คือตัวนี้ตัวหยาบหยาที่สุดคือรูปร่างกายแขนขาตาจมูกของเราเรายังไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นเบื้องต้นคำว่ารูปในที่นี้สุดท้ายปลทางท่านให้มองถ้าเป็นวิปัสสนาท่านให้มองเห็นว่าคาว่ารูปในทนี้ไม่เกี่ยวกับแขนขาตาจมูก ืออะไรไว้ยวะใดๆทั้งเป็นที่เป็นไฟนอกไฟในตัดใจใช่ไคบให้เข้าใจว่ารูปนี้ก็คือดินน้ำไฟลม้มทำความเข้าใจอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นความรู้สึกที่มีอยู่คือเวทนานจารณ์ถ้าเราเข้าใจว่าอันนี้มันเป็นดินมันจะมีความรู้สึกอะไรไหมดิน คนไปอึใส่ไปฉี่ใส่นะ่ะมันมีความรู้สึกไหมมันมีปฏิกิริยามั้งครับอปปิกท น, น้ำก็เช่นเดียวกันที่เราดื่มมากินบริโภคใช้สอยก็เช่นเดียวกันเขาอยู่ของเขาธรรมชาติของเขาเป็นอย่างนั้นใครจะเอือใครจะใครจะถุยใครจะอะไรเขาก็ไม่ได้เจอดร้อนดีนะ้าไฟก็ปกติถ้าในตัวเราไม่มีไฟจะเอาอะไรมาเผาผลาญอะไรมาย่อยอาหาร ไฟดีนะไฟลมก็เช่นเดียวกันที่มันถ้าไปหมาดอยู่ข้างเราเรารู้หมดอยู่ในการมันตัวพยุงพยุงอะไรพยุงดินพยุงน้ำแล้วลมกับไฟเขาก็อยู่ด้วยกันถ้าลมด้านไฟไฟอยู่ที่ไหนลมอยู่ที่นั่นเราเองถ้าไฟไหม้เมื่อไหร่ลมไมนรู้มาจากไหนเขาอยู่ด้วยกันเพราะ น, นั้นคำว่ารูปแบบนี้ต้อยอยู่ตรงนี้นี่ ถ้าจิตระวางอย่างนี้ได้นตรงๆโอ้อันนี้รูปคืออันนี้ไม่ใช่ผู้หญิงผู้ชายเด็กเล็กคนชราที่เราเข้าใจะอรูปจริงๆคืออันนี้เนี่ยคำว่ารูปเพราะนั้รูปอันนี้ถ้าเข้าใจอย่างนี้ทุกอย่างมันก็จบแต่ถ้าเราเข้าใจรูปร่างอันนี้ก็รูปแขนขาตาจ ม, กจมกูกจมูกเล็กจมูกหน่อยผิวพรร์เปล่งปังปอมใจเนี่ยเป็นที่เกิดมาความรู้สึก ก็คือเวทนานรเองนี้ไม่พ้นที่มันรู้สึกอันนี้ได้เพราะว่ามันจําจําว่าถ้าอย่างเนี้ยเกิด ค, ความรู้สึกสบายอย่างนี้รู้สึกไม่สบายนี่เฉยๆนั่นก็คือความรู้สึกเพราะฉั้นเวลาตัดสินใจอะไรอย่าไปใช้ความรู้สึกตัดสินใจไม่ได้อันนี้คือข้อสําคัญว่าในทางปฏิบัติของเ ร, เราก็เช่นเดียวกันเช่น ตาเห็นรูปหรือเห็นคนอะไรก็แ้เกิดความชอบไม่ชอบตัดสินใจไปเลยอาจจะไม่เกี่ยวอะไรก็ได้อาจจะไม่เกี่ยวกันเลยก็ได้ความตต่างเพราะฉะนั้นท่านเข้าใจหลักการอันนี้พุทธยากพยายามที่จะสอนกระบวนการอย่างนี้ตั้งแต่เทศนากันแรกกันที่สองจุดถึงมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนคือมันเป็นรูปมันเป็นดินมันเป็นน้ำไฟเป็นลมความหมาย จะเหลือแต่โครงกระดูกเมื่อไหร่เมื่อตอนนั้นเราก็นึกไปได้แล้วว่าจะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายชอบไม่ชอบมันไม่มีอะไรอยู่ในนั้นนะสุดท้ายปลายทางเพราะนั้นถ้าบอกลักษณะอย่างนี้ครือลักษณะทั่วไปสามอย่างนี้รรก็เรียวัดใจรักคือรู้ว่าเนี้ยมันไม่ได้เที่ยงมันแปลเปลืนอยู่ตลอดเวลา ช่นคำว่าชาติใช่ไหมชาติหรือชา ต, ชาติการเกิดขึ้นมาชาราติตามมาติดติดชาติไม่ได้แปลว่าแก่เท่าหรือคนเกิดชาราคือการชำรุดเกิดเสื่อมโทรมดังนั้นถ้าเราไม่เห็นว่ามันชำรุดมันเสื่อมโทรมอยู่ตลอดเวลาสแสดงว่าเรายังไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจรูปเ ม, เ, มเมื่อแม่เข้าใจก็แสดงว่าเราเห็นผิดพุทธเ จ, าจ้าจิ๋ใช้ยคำอ่านว่าเมตชฉาเท็จ ค, คือความหมายของพระองค์คือเราสำคัญมากหมายผิษจริงๆมันแก่ตั้งแต่เกิดเกิดมาก็แก่แล้วแก่จนตายคือมันชำรุดอยู่ตลอดเวลาเกิดแก่เจ็บตายจะตามวัดกองยึติดเนี่ยสุดท้ายปายทางมันไปไหนต่อตายตไปไหน มันก็เป็นพบกลับมาที่เดิมนะจริงๆแล้วก่อจะมาชาติหรือชาติตาหรือเกิดมันก็มาจากพบ อ, อะไรคืพอพบคือกรรมมาพบรูบปมาพบอรูอปมาพบแต่ตัวนั้นเราไม่รู้รู้แต่ว่าแต่ว่าเกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายแล้วก็ชโยโฮ้กันมาชอบชังกันอยู่ตรงนี้เราไม่เห็นกระบวนการตรงกลางอันนี้เพราะสุดท้ายก็กลับมาที่เดิมนี่แหละเอาเป็นพบแล้วก็เป็นชาติ อยู่ที่ว่าชาติหรือว่าการเกิดจะเกิดเป็นอะไรตรงนี้ต่างๆเพราะมันไม่ได้เกิดเป็นคนทุกภพทุกชาติถ้าจิตเราไม่มัดกรองในพระรัตตนาใจมันคงในศีลอยไปมั่นใจตัวเองว่ากลับมาเป็นคนนะเป็นมนุษย์นะแล้วอันตรายและเสียเวลาซึ่งครูย่างเราพยายามที่จะเล่าประวัติหรืออัตตาประวัติของพระงคให้ฟังพระองคก็เป็นทั้งหมดแล้ว คนที่เวีนบารมีมาทรสอบตวรวจสอบเป็นมาทั้งหมดแม้แต่ประวัติสั้นๆของอาณาจะเป็นต้นเมื่อกี้ก็เช่นเดียวกันแต่ว่าเกิดมาแล้วก็พบอุปสรรคตลอดเกิดมามันคงในพระประธานใจมันคงให้ศีลให้ทานตลอดเวลาและตัวของท่านเองเนี่ยมันไม่ใช่ให้แค่ทานแล้วก็จบเหมือนแล้วที่เป็นเนอยู่ทุกวันเนี้ยก็ไม่ได้เน้นที่ทานเป็นหลักยี่ท่านทําอย่างไรก็เพราะว่าท่าน มีความสามารถด้วยเจตุปัจจัยไทยทานมีกําลังพอไม่ได้แปลคนอื่นทำได้กำไรท่านทาได้ตลอดปีตลอดชาตินี้จนสุดท้าทยปลายทางท่านก็ทานจนไม่มีอะไรจะเหลือของที่ฝังดินเอาไว้คือโบราณเขาไม่มีธนาคารเขาก็ใส่วัตถุที่มันไม่ชิตปกปิดไปฝังไว้ตามสถานที่ต่างๆ ข้างฝั่งแม่น้ํามั่งตรงข้างฝั่งแ ม, ม่น้ําดินมันเซาะคลับพัดไปก็หายไปก็เยอะทรัพย์ของท่านแต่ที่ฝังดินไว้บริเวณว่านมอกมาพ่อมันเยอะมันเยอะมากสุดท้ายทานที่ประนีดก็เริ่มหยาบลงเช่นจากข้าวสาลีที่มีอยู่ก็กลายเป็นปลายข้าวอายเป็นดำให้แก่คนยากไร้อนาคารเพื่อประทังชีวิตท่านก็ยังทำอยู่นะ เถึงแม้เงินทองไร้หลอ่อลงไปบรรดาคนอื่นก็นทานมาเยอะให้มาเยอะเกือบหมดจนไม่มีอะไรถ้าอย่างาาราไรผู้เจ้าก็ถามไปท่านท่านขนาดนี้ท่านก็ยังให้ทานอยู่หรือท่านบอกก็ต้องให้ให้ทานตามกํากลังตามของที่มีอยู่อาจจะประนีตบ้างต้องเช็กว่าประนีตนะไม่ใช่ปราณีตนะประนีตคือคำละเอียดอ่อนปราณีตมันคนละเรื่องที่เราใช้กัน ภาษาบรีก็ปัญญตั ป, ปัไม่ใช่ปรางเราใช้คำนี้ผิดมานานขอประนิตทัานก็ยังทำอยู่อันนี้ตัวอย่างง่ายๆสัส้นๆเพื่อยกยอุปมาอุปไมยอุทานสอนใจให้พเรารู้ว่าเราท่านทั้งหลายที่มาอยู่คือามาบำเพ็ญมาทุกทางมาตามทางที่พระองค์ชี้ให้เราเดิน เพราะนั้นถึงแม้เราอย่างไม่หมดไม่พ้นก<ๆ>็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเรามั่นคงเลยเพราะแต่ใดอย่างน้อยเราจะมีโอกาสที่มาต่อบุญอีกถ้าเราเป็นอยู่อย่างนี้มันมาดีแน่นอนไปดีแน่นอนส่วนเรื่องของเวทนามันเป็นเรื่องปกติจะไม่มีใครเวนไม่ดูความจริงเราแต่ละองค์แต่ละท่านไม่ได้แปลว่าท่านไม่มีเวทนา อายกตึว ง, ง่าจากผู้เปลี่ยนของเราวราระสุดท้ายของท่านเวทนามันมันกตโนจึงฉีดมองฟินจะดูด้วยโอ้ควาเจ็บปวดมากเพราะเมื่อไงล่ะโดนบีบคั้นมากจิตมันก็จะออกจากร่างความเจ็บปวดเวทนาว่าบีบแรงจิตมันอยู่ไม่ได้บีบคั้นคือจิตออกจากร่างส่วนสวนหามันคือรูปอะทั้รูปคืออะไรกับวัตถุที่เดิมอีกคือ ดินน้ําไฟลงคือมันเป็นอย่างนี้ตั้งแต่แรกแล้วเพียงแต่ว่าเราไม่เข้าใจสมมติว่าชาติคือคลอดหรือเกิดออกมาเนะี่ยเรารู้จักว่าพนเพศเพศอะไรคือเพศจญิงเพศชา ย, ยาแค่นี้นหะส่วนชื่อไม่มีเราก็มาตั้งเราดีหลังสารพัด ช, ชื่อชื่อเพราะชื่อไม่เพราะก็ตาแล้วพัน ช, ชื่อเองนะแต่ถ้าเกิดมาแล้ว ไม่มีชื่อเลยจะอยู่ในสภาพนั้นเกิดมาแล้วไม่มีการเรียนไม่มีการรู้เลยนึกถึงคนป่าเลยเขาจะเรียกกันว่ายังไงเขาจะอยู่กันอย่างไงนี่คเรียกว่าไม่มีวิชาคือไม่มีความรู้นั่นเองนั่นอันนี้คือสภาพแล้วจิตของเราเนี่ยก็เช่นเดียวกันนั้นเป็นเรื่องของรูปนะ เราปันทามสมมติจิตของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเกิดมาแล้วคือชาติแล้วไม่ได้รับการอบรมเลยคือไม่ได้รับการเรียนนยัแหละจิตของเราจะเป็นยังไงเราก็เห็นกันอยู่ทั่วบ้านท่วเมืองอันนี้คือข้อแตกตา่างระหว่างคนปฏิบัติกับไม่ปฏิบัติเพราะนั้นเราจงภูมิใจนะเรามาได้ขนาดนี้ เสียสละโอ ก, กาสเวลายังมีโอ ก, กาสมีเวลาได้พบได้เจอกคุณครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติอีปฏิบัติชอบลอหลายองค์หลายท่านได้รับรสของพระธรรมได้ชี้เนะได้ให้ความสว่างกับชีวิตเราจะได้ไม่หลงกึโมหะความงามจนมากเกินไปยังไม่อีกหลายร้อยล้านพันล้านคนที่ไม่รับโอ ก, กาสอย่างพวกเราอยารู้าไปมาครานี้เรีนไหเขา เกือบสามร้อยล้านสองร้อแปสิบกว่าล้านคนก็ไม่ได้แปลว่าเป็นอย่างนี้ทุกคนวัาจะ เ, เป็นพุทธเป็นพุทธจริงๆพุทธก็แยกเป็นหม้ายานกับอินยยานคือเทราวาตอย่างเราก็แยกออกไปอีกคนพุทธที่เป็นเทราวัตจริงๆพวกมายานเขากบูชายันพูดง่ายๆไว้ทําพิธีแค่นั้นเองเรื่องศิลดึงสมาธิเรื่องปัญญาเนียน้อยมากๆเลยเหลือแต่รูปแบบเพราะฉะนั้น ที่มันจริงจังตงัวภูมิภาคนี้ก็เหลือแต่โซนๆของพวกเราอนะ่ะพม่าไทยลาวก็เหลือแต่นิกายเดียวคือทนิการไม่มีนิการอีกพวกเราขขมนก็อีกรูปแบบหนึ่งนะเวียดนามวิยิตรภาษานขมรับ็นอีกเหลือแต่ไทยเราที่มั่นคงอืม mm hmm. อยู่นี้ตลอดที่เป็นเทระวาัรตรวมตัวจะอาจริยว า, รราวาัตดาวเทเรวัดหรืออย่างนี้ แล้วก็ย่อให้ออกมาอีกเหมือนวู้อาชีพที่เราทำมาถโอวเราถือว่าโชคดีเพราะนั้นก็เป็นกําลังใจให้กเราทุกคนว่าอายุเราขนาดนี้แล้วนี่ยก็ดูสมัยพุทธกาลเป็นต้นมาที่พระเจ้าไปโปรดแต่ละครั้งหรือพระผู้อาชีพแต่พระท่านสัลิวดมุกคลาอานนท์ท่านก็ไปโปรดองศาขนาดนี้ท่าไม่ได้ท้อจริงนะไม่ได้บปแล้วบปเลยท่านก็ทําหน้าที่ของท่าน โดยเฉคือวรรษสุดท้ายอย่างท่านสาริบุตรกับโปรดหนึ่งท่านอนนท์กับป ร, ประไปญาติอย่างนี้เป็นต้งกลับไปโปรดแม้แต่ผู้ยังเราพระพุทธดิดาโปรพดพุทธมารดาเ็แตนไปอยู่เดวยวดึงท่าไม่ได้ ท, ดท่าจิิงและวก็วงศาขนาดญาติแล้วก็คนทั่วไปเรียกเป็นพุทธกิจคือกิจของพระพุทธเจ้าตลอดเยาวราชพระองค์อยู่ท่าตรงไหนท่าน ไม่สะดวที่จะไปก็รับแข่งเยอะคนเยอะทั้งวันหนึ่งท่านก็นให้พวกคนที่ไว้วางใจเช่นสารีบะนะุตรบุคลณ์อานน์อาคัสสะเป็นต้นแม้แต่าา ท, ท่านอานุทักท่านเหล่านี้ก็ไดวออ น, นิพานหลังปุจ้าทั้งนั้นแล้วก็คอยให้เกิดประโยชน์อย่างท่านอานน์ก็ปริพันธ์หลังปุจจ ա ตั้ง เ, เกือบสี่สิบปีเพราะท่านอายุร้อยี่สิบปีพุจจ ա ของเราแปดสิบท่านอานน์ก็เป็นสหาชาติ ได้สาระากพระพุทธเจ้าอืไม่ใช่เด็กๆนะพระอน์นพูดยงง อ, อย่างไงก็อายุอานามรุ่นราวขาวเดียวกันหลังพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วท่านก็อยู่ได้ทั้งสี่สิบปีในสี่สิบปีนั้นก่อนหน้านั้นท่านก็เป็นแคกัศดาบันท่านอนนุแต่ขณะพระพุทธเจ้ายังไม่ผ่านท่านได้กโศดาบันไม่ได้เป็นพระอรหันต์พระอรหัดสด็จแล้วท่านก็โปรดแจ้งโยมโดยเอาความจําที่มาเรียกวกัศฎา ที่ทรงจำมารา น, นั้นเข้าไปเผยแพร่ขยายความต่อก็รักใช้ศา ส, สนาอยู่สี่สิบปีถือว่าประโยชน์อย่างมากหลังจากนั้นศา ส, สนาเราก็แผ่วลงแผ่วลงจากการสังไวยมามาฟืน้นอีกทีก็ตอนท่านอโศกมหาราชนอนะจึงมีอนันกปรสงถึงเผยแพ่มาถึงพวกเราด้วยชาวเอเชียอาคานยหลังจากนั้นก็ ในยุคของมหายานรุ่งเรืองมากๆหลังจากนั้นห้าร้อยถึงเกือบร้อยปีมหายานเขารุ่งเรืองมากๆแล้วก็แตกเป็นนิกายแต่ละประเทศเขาก็มีอยู่สามกันนั่นก็คือสาวกยานปจิกะยานโพธิสัตว์ยานในกลางเขานะก็ใช้คําว่ายา น, น, นาายานคือพานะเนี่ยแหละแต่ปัจจุบันเพิ่มมาอีกอันหนึ่งโดยเอกยานนี่คือมหายานเราคร่าวๆ เอกยา น, น, นคือแปลว่ายานเดียวก็แปลว่ารวบรวมทั้งหมดทั้งสาวกทั้งปเจกทั้งโพธิสัตว์อันเนี้ยเป็นยานอันเดียวกันซะกับไปอีกนิกายหนึ่งจีดรวมทั้งหมดพระเตลเลอกายเขาก็มีตำรานีครับสนอนคนตัวเองเอกยานนี่นก็เช่นเดียวกันอันนี้คือหลักๆอ่ะจากมีสามก็เป็นสี่ที่หลักๆของเขานะี่ยบนทรรยุทธบาในกายของเราเนี่ยอันเราหลักก็เป็นอันนี้คือภาพรวมทั้งหมดทั้งฝ่ายเขาแล้วก็ฝ่ายเราส่วนรายละเอียดเยอะ ก็แตกต่างกันไปเช่นเหลือแต่พิธีกรรมพิธีเกินคนมีเพราะฉะนั้นพวกเราตึงโชคดีตรงเรามีครอบมุนทุกอย่างปริยัตเราก็มีให้เรียนปฏิบัติเราก็มีให้ทำปฏิเวทเราก็เห็นเห็นก็อยู่ขอบอาจารย์รของอาจารย์เราทั้งหมดร้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนะี่ยถวชัดมากร้อยกว่าปีถ้ายุคหลวงปู่ทวดเราก็สามร้อยกว่าปีสามร้อยกว่ปีรนะนาดกบุตรกบุตรเราเกือกร้อยกว่าปี แต่หลวงพ่อัวดสารว่ารก็ปีนะสายยุทธญาณก็ถือว่าเราก็สืบทอดเจตนาเราอย่างนี้มาตลอดแต่ว่ายุคนั้นกับยุของลังกาแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าโชคดีอันนี้คือความเป็นไปทั้งหมดที่เล่ามาเพื่อเป็นขวัญกาลังใจเป็นแนวทางให้พวกเราทั้งหลายอที่มาที่ไปถึงแม้เราอาจจะไม่รู้ที่มาที่ไปมาถึงอดีตของเราเร า, าไม่เคยรู้แต่มั่นใจได้ว่าทุกอย่างไม่มีบังเอิญ ที่มันเป็นอย่างนี้มันไม่ได้บางอื่นมันเปได้เพิ่งเป็นเลยเคยเป็นมันเคยมีมัคเคยเป็นอย่างนี้ไม่พบในชาติใดชาติหนึ่งเราก็เคยได้ยินในฝังเคยร่วมเป็นศิษย์เป็นครูเป็อาจารย์เป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นลานกันไม่งั้นไม่มีทางที่มัลงกรุงแกกันได้อันนี้คือเราตามในทางของครูเจ้าแต่เพิ่ว่าถ้าเปิดครูเจ้าท่านก็จะเล่าอดีตก็จะเล่าก็ต้อง มีปัญหาไม่คนถามก่อนท่านเพิ่งจะเล่าท่านท่ามาเล่าไปเรื่อยมาในงาปพิธิการเนี่ยก็จะเล่าพอเป็นมาเป็นไปอันนี้ดีท่านก็เป็นอย่างนี้แหละก็จะเล่ามาความเป็นไปอันนี้หนึ่งคือพระพุทธเจ้าอ่า น, นก็เป็นกําลังใจให้พวกเราทุกคน อ, กอย่าท้ออย่าตอยเลยเพราะมันยังอยู่ปรารถนาใจสําคัญมากให้เราเลิกเกงพุทธคุณธรรมคุณสัมพัคุณเอาไว้คุณของศีลเนี่คุณของพ่อแม่คุณของครูบาอาจารย์สําคัญ แล้วจิตแจของเราก็จะจําสิ่งเหล่านี้คือจํายู่ในไว้ในใจเป็นบทเรียนประจํา ใ, ในใจก็สิ่งเหล่านี้แหละจะเป็นตัวหล่อเลี้ยงจะเป็นตัวชี้นําให้ดวงจิตของเราครั้งสุดท้ายนําไปในทางที่ดีคือสุขติเราจะไม่ไปทุกขติแน่นอนถ้าจิตเราไปอย่างนี้นานก็จะลืมนึกถึงสิ่งเหล่านี้ก่อนนอ น, น, อนทุกครัง้งไหวพระวันไหนถา้าไม่มันแจกก็สมาทานศีลไปเลย จะหละไปพร้อมกับพรฒนาใจหลับไปพร้อมกับสิงเราจะไม่ไปสู่อบายอย่างแน่นอนอันนี้คือหลักให้พวกเราคือเป็นกําลังใจให้พวกเราทุกคนแล้วก็ให้หลักนี้ไปปฏิบัติเป็นยุดหนึ่งคิดนั่นแหละปฏิบัติจริงๆเรียกว่าเราอยู่เริมีชีวิตอยู่อย่างมีหลักอืคือหลักคิดตัวเองหลักพูดหลักทำเรียกว่ากลับกันแหละทั้งหมดมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหม ข อ, อนมรตนาอีกครั้งหนึ่งที่พราทั้งหลายได้นิอุสาหะวิริยะขอบุญกุณลอันนี้จึงเป็นภาะระปัจจัยให้พวกเราทั้งหลายได้มีความสุขความเจริญตามฐานะรลูกทุกคนทุกท่านเถิด